ตอนที่6สหายซูมีความตระหนักรู้สูงส่งเกินไปแล้วสองเพื่อนสนิทกำลังนั่งเล่นอยู่ในห้องทํางานผู้อํานวยการโรงงานทันใดนั้นก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นจากด้านนอกสตรีในชุดทํางานสีน้ําเงินคนหนึ่งผลักประตูเข้ามาด้วยท่าทางหลนลานนา่งกวาดสายตามองไปรอบห้องเมื่อเห็นว่าผู้อํานวยการโรงงานไม่อยู่จึงหันไปมองสองแม่สามีลูกสะภ้ยแทนสหายทั้งสองทราบหรือไม่ว่าผู้อํานวยการหยางไปที่ใดทั้งสองสายหน้าเป็นเชิงบอกว่าไม่ทราบ สตรีผู้นั้นมีสีหน้าวิตกกังวล พ, พึมพำกับตัวเองว่าควรทำอย่างไรดีก่อนจะดึงประตูเตรียมจะจากไปแต่จังหวะที่หันหลังกลับพอดีกับที่ผู้อำนวยการหยางและฟางเชียนเดินกลับมาเฉียวหงมีอะไรหรือเกิดเรื่องอะไรขึ้นในเวิร์กช็อปเมื่อหยางเวนจะวินเห็นว่าเป็นเฉียวหงใบหน้าที่เดิมทีเต็มไปด้วยความยินดีก็มืดคลึ้มลงทันที เฉียวหงเป็นหัวหน้าเวิร์กช็อปที่หนึ่งของโรงงานทอผ้าความสามารถและทัศนคติในการทำงานของนางนั้นไม่มีที่ติหกักไม่มีเหตุการณ์พิเศษจริงๆนางไม่มีทางละทิ้งหน้าที่มาหาเขาที่ห้องทำงานเช่นนี้แน่นอนหยางเวินจะวินผลักประตูแล้วเชิญให้เฉียวหงเข้ามาข้างในผู้อำนวยการคะเครื่องทอผ้าเสียค่ะเฉียวหงกล่าวด้วยความร้อนรนเช่นกับเพื่อนคนงานช่วยกันปรับตั้งหลายรอบแล้วแต่มันก็ยังขาดสายตลอดแถมเสียงเครื่องก็ดูไม่ปกติด้วยเฉียวหงร้อนใจจนเหนือซึมเต็มหน้าผาก ถ้าวันนี้ซ่อมเคลื่อนจักรไม่ได้ภารกิจของพวกเราในเดือนนี้คงทำให้สำเร็จแน่ๆคะ่ะชินเสียวเย่เว่ที่นั่งฟังอยู่ข้างๆกลับไม่เข้าใจสถานการณ์นักนางพึมพำเบาๆว่าถ้าทำไมเสร็จก็แค่ขายน้อยลงหน่อยสิเรื่องแค่นี้เองซูมานอิงกระตุกแขนเพื่อนสนิทพลางนึกในใจว่าเพื่อนคนนี้วันๆไม่เคยสนใจเรื่องราวรอบตัวเลยจริงๆ ในยุคแปโรงงานของรัฐนั้นผลิตภัณฑ์ของพวกเขามีความเกี่ยวข้องกับแผนการผลิตของโรงงานอื่นๆหากพวกเขาทําให้สําเร็จโรงงานอื่นก็ต้องหยุดงานตามไปด้วยมันเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่หากทุกอย่างหยุดชะ ง, งักการจัดหาวัตถุดิบก็จะมีปัญหาและหากเกี่ยวข้องกับยุทธปัจจัยทางทหารความรับผิดชอบนั้นจะยิ่งใหญ่หลวงนักเฉียวหงคนนี้ถือว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากและอาจารย์จากแผนกรักษาความปลอดภัยละ่ะพวกเขาไม่ได้ไปดูหรือฟังเชียนเอ่อเตือนจากด้านข้าง มาแล้วค่าดูหมดทุกคนแล้วแต่ก็ยังหาไม่เจอว่าปัญหาอยู่ตรงไหนเชียวหงกางมือออกทั้งสองข้างแสดงถึงความจนปัญญาถ้าโจว้วหมิ่นอยู่ก็คงดีเขาคุ้นเคยกับเครื่องจักรพวกนี้ที่สุดแค่ฟังเสียงก็รู้แล้วว่าปัญหาอยู่ตรงไหนแต่ว่าเขายังอยู่ในช่วงลาไว้ทุกชั้นไม่กล้าไปตามเขามานะคะยางเหวินจะวินเหลือบมองสองแม่สามีลูกสะพ้ยที่นั่งอยู่บนโซฟาเขาลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหันไปปลอบเชียวหง หัวหน้าเฉียวของคุณให้อาจารย์ในแผนกซ่อมบำรุงลองดูอีกทีเถอะถ้าไม่ได้จริงๆตอนเย็นผมจะไปหาโจาไวหมิ่นเองแบบนี้ดีไหมเฉียวหงพยักหน้าพลางถอนหายใจเตรียมตัวจะเดินจากไปแต่กลับถูกใครบางคนเรียกไว้เสียก่อนสหายท่านนี้โปดรดรอก่อนซูมานอินลุกขึ้นยืนแล้วก้าวเดินช้าช้าเข้าไปหาคนทั้งสามเมื่อครูฉันได้ยินสหายเฉียวบอกว่าไวหมิ่นที่บ้านฉันสามารถซ่อมเคลื่อนจักรได้หรือ เฉียวหงชงักไป็นนางเคยเห็นภรรยาของโจเว่หมินมาก่อนแต่หน้าตาไม่ได้เป็นเช่นนี้นี่นาคุณคือพี่สาวของโจเว่หมินหรือคะเฉียวหงจำได้ว่าโจเว่หมินมีพี่สาวอยู่คนหนึ่งจึงลองถามอย่างเชิงดูทว่าคําตอบที่ได้รับปรับเป็นฉันเป็นแม่เลี้ยงของเขาค่ะซูมานอินตอบเรียบๆทาเอาเฉียวหงตะโตด้วยความตกตะลึงนี่หน่าหรือเมียเด็กที่โจเตอชางแต่งเข้ามา คราวก่อนพระต้องรีบปั่นงานนางจึงไม่ได้ไปร่วม ง, งานแต่งงานของโจเตชะชางได้ยินแต่คนลือกันว่าโจเตชะชางเป็นวัวแก่กินหญ้าอ่อนแต่งงานกับสาวน้อยที่ทั้งอายุน้อยและสวยสะพรั่ดตอนแรกนางไม่เชื่อเลยสัตนิดพระโจเตชะชังขึ้นชื่อว่าเป็นคนเถนตรงที่สุดในโรงงานอย่างมากก็คงแต่งกับคนที่อายุน้อยกว่าไม่กี่ปีแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่านางจะเข้าใจผิดไปไกลนี่ไม่ใช่แค่อายุน้อยกว่าไม่กี่ปีแต่น่าจะห่างกันอย่างน้อยยี่ปีได้เลยทีเดียว นางหวังอะไรกันหวังแค่ว่าเขาเป็นคนดีอย่างนั้นหรือผู้อํานวยการอย่างขาหล่าโจของฉันเสียสละเพื่อโรงงานทางโรงงานเองก็ให้ความช่วยเหลือครอบครัวของเราอย่างใหญ่หลวงเว่ยหมินเป็นลูกชายของเขาและยังเป็นพนักงานของโรงงานทอพายอมไม่อาจทําให้พ่อของเขาต้องขายหน้าได้ซูมานอินกล่าวด้วยน้ําเสียงจริงใจกระทั่งดวงตาของนางยังมีประกายระยิบระยับหากเหล่าโจยังมีชีวิตอยู่เขาก็คงจะลากเาเว่ยหมินให้มาซ่อมอุปกรณ์ที่โรงงานด้วยตัวเองแน่ๆคะ่ะ คำพูดไม่กี่ประโยคนี้ทำเอาเหล่าผู้นําในโรงงานถึงกับน้ําตาคลอเบ้าสหายูมานอินขอบคุณคุณมากจริงๆยางเหวนเจวินรู้สึกตื้นตันใจอย่างยิ่งเขารีบหยิบเงินปึกหนึ่งออกมาจากกระเป๋าเสื้อมีทั้งธนบัตรใบละหนึ่งหยวนห้าหยวนและเศษเงินอีกไม่กี่เจียวทั้งหมดถูกส่งมอบให้กับมือของซูมานอินนี่เป็นเงินบริจาคที่สหภาพแรงงานในโรงงานรวบรวมมาจากพนักงานรวมแล้วสามร้อยกว่าหยวนแล้วยังมีคูปองอาหารอีกจํานวนหนึ่งเธอรับไว้เถอะ ซูมานอินมองดูคูปองอาหารที่ยังมีคราบน้ำมันเครื่องติดอยู่ในใจพันเปี่ยมไปด้วยความซาบซึ้งไม่ว่ายุคสมัยใดก็มักจะมีคนดีที่มีจิตใจเมตตาและซื่อตรงอยู่เสมอจริงๆขอบคุณค้าผูอำนวยการโรงงานอย่างฉันกับเสี่ยวเย่เว่จะรีบปรับไปเกลี้ยกล่อมเจ้าสองทันทีคะ่ะพ่อของเขาเป็นสมาชิกพักเป็นวีรบุรุษเพราะฉะนั้นเขาจะทาตัวเป็นคนที่ขาดไม่ได้ซูมานอิงยิ่งพูดก็ยิ่งใส่อารมณ์ ต้องเสียสละส่วนตนเพื่อส่วนรวมวันนี้ต่อให้ต้องแบกชั้นก็จะแบกเขามาที่โรงงานทอผ้าเพื่อซ่อมเครื่องจักรให้ได้ค่ะจะให้เขามาทําให้ภารกิจของโรงงานล่าช้าจนส่งผลกระทบต่อการสร้างสีความทันสมัยของประเทศชาติไม่ได้เด็ดขาดฟางเชียนที่ยืนอยู่ข้างๆถึงกับตาค้างการยกระดับประเด็นให้สูงส่งขนาดนี้เขาไม่ได้เตรียมใจมาเจอเลยจริงๆทั้งการเล่ยเรียนเนื้อหาและการปลุกใจที่ค่อยๆรุนแรงขึ้นนี้ไม่ได้ไปกว่าบทความในหนังสือพิมพ์เลยสักนิด เขาจะไปรู้ได้อย่างไรว่าในศตรวรรษที่21สซูมานอินเรียนจบสาขาวารสารศาสตร์มาโดยตรงเชียวหงเองก็แอบชื่นชมในใจพลางรู้สึกเสียดายแทนหญิงสาวที่เลือกโจเตอช่างอีกครั้งช่างเป็นเด็กสาวที่ดีจริงๆหน้าตาก็สวยความคิดความอ่านก็ยอดเยี่ยมแถมฝีปากยังดีอีกน่าเสียดายทำไมถึงได้แต่งกับเหล่าโจแถมยังต้องมาเป็นไม้แบบนี้เฮอะแววตาของหยางเวนจวินเป็นประกาย สหายซูมานอินเหลาโจเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่จะมีตำแหน่งงานว่างอยู่หนึ่งตำแหน่งเธอสนใจจะมาทำแทนเข้าไหมซูมานอินรู้ว่าหยางเหวินจะวิ่งเ ช, เชิญเชิญเธอด้วยความจริงใจแต่เธอไม่อยากถูกผูกมัดและไม่อยากทำงานไปได้ไม่กี่ปีก็ต้องถูกเลิกจ้างผู้อำนวยการโรงงานอย่างฉันขอบคุณในความหวังดีของท่านมากค่ะแต่ฉันไม่รู้เรื่องบัญชีและก็ทอผ้าไม่เป็นไม่อยากมาสร้างความวุ่นวายให้โรงงานของเราเปล่าเปล่าค่ะไม่จําเป็นต้องทำฝ่ายการเงินก็ได้หยางเหวินจะวินเสียดายความสามารถของเธอจริงๆ จะไปอยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์หรือฝ่ายธุรการก็ได้โรงงานของเรากําลังขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถแบบเธออยู่พอดีซูมานอินยิงคงยิ้มและปฏิเสธไปชินเสียเวเย่เว่เห็นดังนั้นก็รีพูดทร่ขึ้นมาทันทีเออผู้อํานวยการโรงงานอย่างค้าตาแหน่งนี้ช่วยเก็บไว้ให้พวกเราก่อนชั่วคราวได้ไหมคะซูมานอินชะงักไปเพื่อสนิทที่เกลียดการทํางานที่สุดคนนี้ต้องกําลังวางแผนอะไรไม่ดีอยู่แน่ๆได้สิเราจะเก็บไว้ให้ตลอดเลยหยางเวินจะวิ้นตอบด้วยรอยยิ้ม ขอแค่สหายซูมานอินตกลงจะมาเราก็ยินดีต้อนรับเสมอและถ้าเป็นคนอื่นที่เหมาะสมล่ะคะชินเซียวเยเว่ลองอย่างเชิงอย่างเช่นฉันหรือคนอื่ น, นเรื่องนี้หยางเหวินเจวินเริ่มรู้สึกไม่พอใจเล็กน้อยชินเซียวเยเว่คนนี้ทั้งที่เป็นทายาททหารผู้เสียสละแต่เมื่อเทียบกับซูมานอินแล้วความคิดความอ่านช่างห่างชั้นกันลิบลับ ผู้อำนวยการโรงงานอย่างค่าความหมายของเสี่ยวเยเว่คือพวกเราสามารถพึงพาตนเองได้ไม่อยากให้รัฐบาลต้องมาลำบากใจเพราะพวกเราคะ่ะซูมานอินช่วยพูดแก้ต่างให้ชินเสี่ยวย่าวเราคิดว่าควรจะยกความช่วยเหลือจากโรงงานในครั้งนี้ให้กับคนที่ต้องการมันมากกว่าค่ะใช่ใช่ค่าความหมายเดียวกับที่คุณแม่เลี้ยงของฉันพูดเลยฉินเสี่ยวเยว่รีบรับคาทันวันเพียงไม่กี่ประโยค ภาพลักษณ์ของซูมานอินในสายตาของหยางเหวินเจวิ้นฟางเชียนและเฉียวหงก็ดูสูงส่งขึ้นมาทันทีเมื่อต้องเผชิญกับงานที่ดีขนาดนี้สิ่งแรกที่เธอนึกถึงกลับไม่ใช่ตัวเองแต่เป็นคนที่ต้องการมันที่สุดหยางเหวินเจวินท่อถอนใจจิตวิ ญ, ญญาณแห่งการเสียสละอันยิ่งใหญ่เช่นนี้แม้แต่เขาก็ยังทําไม่ได้เลยในใจเขาอดไม่ได้ที่จะสอบถอด่าออกมาคำหนึ่งโจเตอชางเจ้าแก่หนังเหนียวเอ๋ยไม่รู้ว่าไปใช้เล่ห์เหลี่ยมอะไรถึงได้แต่งเมียเด็กที่แสนดีขนาดนี้มาได้กันนะ